ด, าามมดังนั้นเราปรารถนาฆ่าเขาโดยหวังว่าพระผู้บัญของเขาทั้งสองจะทรงเปลี่ยนลูกที่ดีกว่าให้แก่ทั้งสองมีความบริสุทธิ์กว่าและมีความเมตตาแก่ทั้งสองมากกว่าว่าอ الجدار فكان لغلامين يتي من في المدينة وكان تحته كزلهما وكان تحته كزلهما وكان أبوهما صالحة فأراد ربك أن يبلغا شدهما.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 และพ่อของเด็กทั้งสองก็เป็นคนดีดังนั้นพระผู้อภิบาลของท่านประสงค์ใจเด็กทั้งสองบรรลุสู่ความเป็นผู้ใหญ่และจะให้เขาทั้งสองเอาสมบัติของเขาทั้งสองออกมาเองเป็นความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของท่านและฉันไม่ได้ทำสิ่งนั้นตามความพอใจของฉันนั่นคือความหมายที่ท่านไม่สามารถมีความอดทน ่อสิงน น, นนัและพวกเขาก็จะถามเจ้ามฮัมมัดเกี่ยวกับสุลกรไนจงกล่าวเถิด ฉันจะเล่าเรื่องของเขาแก่พวกเจ้าอินนมแคนนาฟิลอัวตยนามินุลลยินบบะท้จริงเราได้อำนาจแก่เขาในแผ่นดินและเราได้ให้ทุกสิ่งที่เขาต้องการดังนั้นเขาจึงมุ่งไปทางหนึ่งคือทางทิศตะวันตก จงกระทั غ غ د د ่งเมื ت ت <t> ่อเขาเดินทางไปถึงดินแดนที่ดวงอาทิตย์ตก เขาพบมันตกลงไปในน้ำขุดันและพบณที่นั้นชนกลุ่มหนึ่งเราอัลลอฮ์กล่าววา่าโอ้สุลกรไนเจ้าจะลงโทษพวกเขาหรือทำความดีต่อพวกเขาเขาสุลกรไนกล่าวรรา ว, วา่า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 قال ا, أ, أ ل าวู ا ัด القرن นิลอินน์ย ج จู ج ์แล ف ไม่จูจ์มุฟสิดุนค์ในอัลอัรด ن ج ع ل ์ล์เนจจัลุลั ج ข์ขรจ์นฟะฮ ن ล์เนจจั ل ุลักข์ขรจ์นอาลาอันท์เจล์ล์เ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 พวกท่านจนเอาเหล็กท่อนตโตๆไม้ฉันจนกระทั่งเมื่อพวกเขาได้ทําให้บริเวณภูเขาทั้งสองเสมอกันเขาก็กล่าวว่าจงเป่ามันด้วยเครื่องเป่าลมจนกระทั่งเมื่อเขาได้ทําให้มันร้อนเป็นไฟเขากล่าวว่าปล่อยให้ฉันเททองแดงล้อมลงไปบนมันดังนั้นพวกเขา ยะยุดและมะยุดก็ไม่สามารถจะค้า ม, มันได้และไม่สามารถจะขุดโพร่งผ่านมันไปได้ออละาซาุรอวะกร็เขาสุลกรนายกล่าวว่านี่คือความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของฉัน ดังนั้นเมื่อสัญญาของพระผู้วิบาลของฉันมาถึงพระองค์จะทรงทําให้มันพังทลายและสัญญาของพระผู้วิบาลของฉันนั้นเป็นจริงเสมอบแล้ววันนั้นเราจะปล่อยให้บางส่วนของพวกเขาประทา่ากับอีกบางส่วนและสังจะถูกเป่าขึ้น แล้วเราจะรวมพวกเขาไว้ทั้งหมดและ ว, วันนั้นเราจะนำนรุกยันนำมาเสนอแก่พวกปฏิเสธศรัทาคือบรรดาผู้ที่ดวงตาของพวกเขาถูกปกปิดจากการระลึกถึงข้า และพวกเขาไม่สามารถที่จะได้ยินเละบันดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้คิดแล้วหรือว่า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 <ด>นั่นแหละการตอบแทนของพวกเขาคือนรกยนันหนับเนื่องจากพวกเขาปฏิเสธศรัทธาและพวกเขายึดอาวอค์การทั้งหลายของข้าและบรรดาหรอษูนทั้งหลายของข้า เป็นที่รอเล่นอ ال ินนัน ا ل ذ ي آ م ن م ا ل ص ا ل ه م แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและปฏิบัติความดีสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับสวนสวรรค์ชั้นฟืดดาวเป็นที่พำนักพูกเขาพำนักอยู่อย่างถาวรในนั้น โดยที่พวกเขาประสงค์ไม่เปลี่ยนแปลงใจไปจากมันจลลงกล่าวเถิดมฮัมหมัดว่าหากว่าทะเลเป็นน้ำหมึกสำหรับบันทึกพจนานของพระผู้อภิบาลของฉันแน่นอนทะเลจะเขือแห้ง ก่อนที่พจนาติของพระพูดอภิบาลของฉันหมดสินปัญแม้ว่าเราจะนํามันเยี่ยงนั้นมาเป็นน้ํำมึกอีกก็ต่อกุลอินนมาอันบชรุมมิทลุกุมยู ح าอิลัยแอนนมาอิล้าหุกุมอิล้าหุวาหิดฟะมันกานะย رج ูล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 ใว้เขาประกอบการงานที่ดีและอย่าตั้งผู้ใดเป็นพาคีในการเคารพพักดีต่อพระผู้อภิบาลของเขาเลย